พระธรรมเทศนาแผ่นที่112ลำดับที่25โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรณธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่6กันยายน2560มีชื่อเรื่องว่ากําจัดเชื้อออกจากใจเฮ้พวกเราขึ้นมาหมดกันแล้วยังมีใครยังอยู่ข้างล่างไหม มีวัดไหนอยู่อยู่ข้างล่างหรือเปล่าเฮ้ยเป็นไรเนาะถ้าหมดแล้วก็จะขอโอกาสหลวงพ่ออินทำวัดคารวะท่านเ้อมันเป็นประเพณีอันดีงามนับตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมาตลอดถึงครูบาอาจารย์เขาพูดเราก็พาประพฤติปฏิบัติมาว่าเออถึงเวลามีโอกาสกันสะดวกกันเหมาะแล้วโดยเฉพาะในการเมิด ช่วงเข้าพ็นษาพวกเราอยู่กันพร้อมกันมีครูบาอาจารย์ผู้อาวุโสที่ไหนที่พวกเราเคารพยกย่องนับถือท่านในในทั้ ง, งในความสนิทสนมทั้งในด้านคุณธรรมของท่านเราก็หาโอกาสที่จะไปคารวะท่านเพื่อจะเป็นโอกาสอันหนึ่งที่จะได้รับฟังโอวาทของท่าน เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติดําเนินชีวิตของพวกเราสืบต่อไปเพราะโอวาทของครูบาอาจารย์เน่ยล้วนแต่เป็นสิริมงคลทั้งนั้นแหละท่านจะให้โอกาสให้โอวาทเรามากหรือน้อยก็ล้วนแต่มีคุณค่าทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในวันนี้พวกเราก็มีโอกาสที่จะมาพร้อมกันมาขอโอกาสหลวงพ่ออินได้คารวะธรำวัดท่านแล้วก็ขอโอวาทท่านเพื่อจะเป็นมงคลต่อชีวิตแล้วก็เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ดำเนินชีวิตของเราสืบต่อไปเนาะอาจารย์นี้พร้อมกันเราจะทำวัดชลวะท่านสะก่อนแล้วก็จะท่านเมตตาให้โอววาดแกพวกเราพวกสัทธา ญ, ญาติโยนะพระเนนสักคู่หนึง่ง <c oughs> ข อ, อการครับผมอ้าวถ้าพร้อมแล้วกาบ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสะมาสะโมตัสสะ นับโมยตะไซผู้เกวตุอาระหตัสมยสมบูตตะนัโมตะเกวตุอาระให้ตัสมัยสบูตตะไซเทเรปมาเดนา ดารัตเยนกตังสาบังอปะรางังขามาตุนวพันเตเทเรปมาเดนะดารัตเยนกตังสาบังอปะราธังขามาตุนวพันเตเทเรปมาเดนะ บาวารตะเยนกัตังสาบบางอปาราทังขามาตุโนพันเดพร้อมแล้วหมอบกราบลงโห้หลวงพ่อจุธามเอาฝนมาด้วยเห็นไหมปะคือผ่าคือห่านขณะสงมีหลวงพ่อจุธามหลวงพ่อปุณมีหลวงพ่อวัด จะไหลวัดที่นิรมาคารวะพร้อมกับคณะสัตยาติโยมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาถือเป็นประเพณีอันดีงามของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาพวกเราท่านทั้งหลายได้ประมาทผัพดพางหลวงพ่อด้วยกายวา่าจจใจหลวงพ่อยินดีอโหสีกรรมให้กับพวกเราทุกทุกท่านขอให้พวกเราทุกท่านจง ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอขอให้สมหวังดังปราถนาดวงตาเห็นธรรมในที่สุด อะหังขมามิทุมเหหิปิเมขมามิตะ บ, บังขมามะพันเตเอวังโหตูเอวังโฮตูโยจะปุเบปมัชิตตวะปัจซาโซนปะปมัสติโซมังโลกังปพาเสตีอาภามุตโตวัจันธีมาอภิวาทนสีริชนิตยังวุฒาปจายีโนยัตตาโรธรร ม, มาวัฏานติ อายุวันโนสุ ข, ขังภาลังสาธุพันเทเรานัดกันไปวันที่สิบห้าจะไม่ไปกราบครวะเออตอนบ่ายสม้มบ่ายสองโมงนะนบ่ายสองโมงแต่วันนี้ผม เองก็ได้ให้พระเขาจัดผ้าไตรและผ้าขาวแล้วก็คงจตุปัจจัยบางส่วนฝากกับหลวงพ่อทุธธรรมไปแวะทันทักหน่อยเพื่อเขาจะให้เขาเตรียมก็ไปจะแวะเออเพื่อเขาจะได้เตรียมไว้ก่อนท่าไปวันนั้นเราไปก็ไม่รู้จะจัดยังไงเอาไปแต่น้นนให้เขาได้หมนั่นละผ้าไตรประมาณ2ี่สิผ้าขาวยี่สิบไม้ แลเจะโกงจะตุปใ จ, จด้วยเอาไปร่วงงานสมทบหลวงพ่อคําผิวห ล, ลวงพ่อคาผิวนี่าจะว่าไปแล้วก็ท่านก็เป็นคนบ้านตาดเป็นหลานหลงตานะลูกหลานของหลงตาบ้านตาดอายุของท่านเท่าไหร่แปดสิบกว่าบอแปดสิบ <80. S 1> <80. S 2> ่ะท่านมรณะภาพมา่วานวันก่อนกเดี๋ยวนี้ก็อยู่ที่อาเภอบ้านศรีวิไล อําเภอชัยวานอําเภอชัยวานอํเภอชัยวานเนาะจังหวัดอุดรของเราเนี่แหละท่านก็มีอายุพรรษามากแล้วนะเป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงตาเป็นลูกหลานของหลวงตาพวกเราในฐานะลูกหลานน้องหนุ่มทางหลายน้องหนุ่มของท่าน เ, เราก่อนนะใครตายก่อนก็เผากันให้ช่วยกันจัดงานศพ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นถึงลุงพ่อจะอยู่ห่างไกลลุงพ่อกับพ่อได้ยินทราบข่าวแล้วกันเอาส่สงสเสบียงเข้าไปช่วยกันพี่น้องคนละไม้คนละมือแบกกันถ้าหากว่าพวกเราช่วยกันงานหนักเขากลายเป็นเบาได้ถ้าหากว่าเราไม่ช่วยกันต่างคนมองกันค่าไม่ใช่นาทีหน้าทีไม่ใช่ค่านะ อ, อ่า น, นั้นก็แปลว่างานถึงจะงานไม่หนักแต่เมื่อก็หนักดูแล้วก็ในสายตาของพี่น้องประชาชนาคนเขาก็จะตำหนิพวกเราได้ง่ายๆอีกเหมือนกันเพันนั้นวันนี้ขอดุุงพ่อจะฝากของไปช่วยงานศพของท่านก่อนแล้วก็วันที่ส5้า นัดกันพี่ๆน้องๆ น, นัดกันบ่ายสองโมงไปพร้อมกันแล้วก็คงจะไปสวดพระอภิธรรมสวดมรติกาบางสกุลเสร็จ แ, แล้วก็แยกแยกย้ายกันแล้วก็คงเป็นวันที่สิบเจ็ดมะวันที่สิบเจ็ดเป็นเปนเป็นวันอาทิตย์แล้วก็เป็นวันประชุมเพลิงก็คงจะเป็นพระราชทานเพลิงเพราะท่าน้เป็นพ่อครูนะอ่า ท่านในเป็นพระครูขคงจะเป็นพระราชทานเพลิงศพของท่านเพราะฉะนั้นขอให้ผูล้ลูกหล า, ลล า, านคณะสัตยา ญ, ญาติโยงเนะแต่แต่แตัวรู้รู้ว่าวัดก็ไม่กว้างเท่าไหร่วัดแคบไปต่างหากหน้าฝนในต่างหากมไม่รู้จะรถจะจอดที่ไหนละพี่น้องประชาชนก็ไม่รู้จะโยงลงท้องนาที่ไหนถ้าเป็นหน้าแรงก็คอ ย, ยงช่วยอยู่ คนลงไปในท้องนาได้แต่ทํายังไงมันเลือกตายไม่ได้เท่านี่ใจขาดเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นทํายังไงล่ะไม่ว่าท่านว่าเราเน่ะได้ใจขาดแล้วก็ต้องตายล่ะไม่เลือกว่าน่านแรงหน้าฝนะจะทํายังไงตายวันนี้เป็นวันที่6กันยายนพุทธศักราช2560นะเพราะวันนี้ถือว่าเป็นวัน มงคลสำหรับวัดของหลวงพ่อมีครูบาอาจารย์น้องๆที่มาจะทายญาติโยมมาวัดของหลวงพ่อนะแต่ถึงยังไงก็ตามพวกเราเป็นลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งองหลวงตามหาบัวทายะววาหลวงปู่มั่นก็ใช่อันนั้นคือปู่ทวดของเราตระกูลของเรา แต่ถึงเราก็ตระกูลขององค์หลวงตาหลว ง, งตาแนะนําสั่งสอนอย่างไรอันนี้อยู่ในจิตในใจของพวกเราท่านทั้งหลายหลวงตาไม่ได้สอนไปในทางชั่วนะหลวงตาไม่ได้สอนทางดีให้พวกเราหลวงตาเนี่ยเคยพูดที่หลวงพ่ออยู่ที่นั่นนะสมัยก่อนหลวงตาเนี่ยเพี้ยวนะดุด่าว่า ก, กาวนอะอายุแก่ขึ้นมาแนละ้วท่านก็เพลาๆลงสมัยก่อนโอ้โหไม่ใช่ธรรมดา ท่านบอกวันนี้เราสอนวิชาอะไรดีๆเราสอนให้หมอดอสอนให้เป็นคนดีให้เป็นพระที่ดีให้เป็นคนดีมีแต่วิชาเร็วๆนะเราไม่สอนให้วิชากินขี้ตรงตาพกทุกอย่างอย่างนั้นไลยนะโอ้โหวิชานี่วิชากินขี้เป็นวิชาหมาสมัยก่อนไม่มีมันมไม่มีส้วมซึมใช่ไหมล่ะหมาหมาชาวบ้านนะั้มันเป็นอย่างนั้นล่ะ เพราะนั้นท่านรู้นะท่านก็สอนวิชาวิชาดีๆแล้วสอนให้หมดที่จะให้เป็นพระที่ดีคนที่ดีลูกหลานที่ดีพี่น้องประชาชนที่ดีที่มาเกี่ยวข้องให้รู้จักศีลและรู้จักธรรมใ ห, รให้รู้จักสูงรู้จักต่าให้รู้จักสัมมาคารวะรู้จักไว ย, ยวุฒคุณวุฒิให้รู้จักศีลและธรรมศีล ส, สมาธิปัญญา วางตัวอย่างไรที่เราได้เกิดมาได้พบเพราะพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเราควรปฏิบัติตนอย่างไรอย่างอย่างนี้อย่าให้รู้จักสถานะของตนเองเมื่อเราอยู่ในสถานะอย่างนี้เราควรปฏิบัติตนอย่างไรเราได้มาเกิดอยู่ในขณะนี้อายุของเราปูุ่ณิเราควรปฏิบัติตนอย่างไรสรุปแล้วก็คือไม่ให้ลืมตัวนะถ้าพวกเราอยู่ในสถานที่ใดไม่ลืมตัวนะ น้ำนึกอยู่เสมออีกสักวันหนึ่งข้าพระเจ้าจะต้องถึงจุดจบตายแน่ๆมรณังเมปาวะวิจ ต, ติให้คิดเอาไว้ถ้าคนคิดละนึกถึงความตายคิดถึงความตายอยู่เสมอนะคนนั้นจะไม่ลืมตัวเราจะรู้จักว่าในขณะนี้เวลานี้เราควรปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะถูกต้องจึงจะเป็นธรรม จึงจะไม่เสียเที่ยวเสียทีที่ได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาและก็เป็นผู้มุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจประกอบคุณงามความดีเพราะเราได้ศึกษาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราพวกองค์ไม่ว่าร้อยเซถ้าเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนเปอร์เซนต์ท่านก็บอกว่าตายแล้วเกิดนะไม่ศูญตายแล้วเกิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์หลวงตาที่ท่านเน้นหนักบอกกล่าวเพราะฉะนั้นพวกเรารู้แล้วตายแล้วต้องเกิด เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเราทําความชั่วคำชั่วในเดียวนีนะ่ถ้าเราเกิดขึ้นมาพบหน้าชาติหน้าจะเป็นยังไงมันก็ต้องชั่วถ้าเราทํากรรมดีเนะ่รู้แล้วเราจะต้องเกิดอีกเราจะต้องประกอบคุณงามความดีเพื่อเตรียมจะเบี่ยงเดินทางต่อไปภายภาคหน้าควรจะประกอบคุณงามความดีควรจะสั่งสมบุญกุศลเอาไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปตายตายแน่ๆแต่ว่าตายแล้วไม่สูน เหมือนกับรถเนี่ยมันพังรถมันพังมันหมดสภาพมันแก่มันเท่ารถเราใช้ไปบ่อยมันก็จำรุดพอจำรถดนะซเฟอร์ก็ต้องออกจากรถ น, นี่ก็เหมือนกันร่างกายของเราเนี่อีกสักวันหนึ่งเผาไฟทิ้งอย่างล้งปูคำผิวอายุท่าน80ปีไม่ไหวแล้วท่านคงทิ้ง แต่พอท่านทิ้งดวงวิญญาณคือดวงใจของท่านท่านออกจากร่างแล้วไงไปหาเกิดที่อื่นนะถ้าหาท่านชําระใจของท่านบริสุทธิ์ท่านก็เป็นพระอรหันต์ท่านก็ไม่มาเวียนไหวตายเกิดอีกเป็นผู้จบแล้วเชื้อที่จะทํานํามาให้เกิดอีกท่านกําจัดออกแล้วเหมือนกับเมล็ดข้าวท่านเอาไปนึ่งแล้วเอาไปกับท่อเปลือกเสร็แล้วก็ไปนึ่งเอาไปปลูกที่ไหนมันก็ไม่เกิดเพราะอะไรเพราะเชื้อมันหมด เชื้อมันก็คือกิเลสทําให้พาให้เกิดคือกิเลสราคะโทสะโมหะโลคโกรธหลงในแหละที่จะทําให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารแต่ว่าพวกเรากําจัดเชื้อมันออกจากใจซะกิเลสราคะโทสะโมหะพิจารณาการกลองด้วยต่ด้วยต่ปัตธรรมคือศีลสมาธิปัญญาในเมื่อเรากัรกลองไตรตรองด้วยศีลสมาธิปัญญากํำจัดเชือ้อออกจาก กี่เลยออกจากใจเหมือนกับเรากําจัดเชื้อออกจากเมล็ดข้าวมเมล็ดข้าวไปนั้นเอาไปนึ่งให้สุกแล้วจะไปปลูกที่ไหนมันก็ไม่เกิดไม่ไรเพราะเชื้อมันหมดแล้วนี้ก็เหมือนกันใจของเราถ้ายังมีเชื้ออยู่ต้องเกิดวันอย่างคําเกิดไม่รู้พบไหนต้พบไหนล่ะแต่ถ้าว่าพวกเร า, าเกิดมาถึงจะเกิดมาก็เถอะถ้าเราทํากรรมชั่วไว้กรรมชั่วตอนนั้นแหะจะตามสนอง เราทํากรรมดีกรรมดีก็จะตามสนองเราก็เช่นเดียวเเช่นดียวกันเพราะนั้นอย่าทํากรรมชั่วคิดชั่วทําชั่วอย่าทําเสียลดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหละพวกเรานั่นแหละ่าเดือด ร, ร้อนเมื่อภายหลังเมื่อพวกเราได้ศึกษาแล้วได้ศึกษากับพ่อแม่ครูบายอาจารย์หลวงปู่หลวงตาได้ศึกษาธรรมะม า, มายาวนานพอสมควรรู้ไหมดี รู้ไหมชั่วถ้าเรารู้ชั่วอย่าทำํำถ้าทําลงไปแล้วนะกรรมชั่วตอนนั้นละจะตามสนองพวกเราจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังให้ประกอบแต่คุณงามความดเีเมื่อประกอบคุณงามความดีแล้วจะชั่วได้ยังไงพอเราทําดีถ้าคนทําชั่วแล้วจะดีได้อย่างไรเมื่อเราทําชั่วแล้วจะดีได้ยังไงนี่แหละความดีและกรรมชั่วเนี่ยจะเป็นผู้ ชี้นำเป็นผู้เป็นเพื่อนสองเป็นมิตรสอง เ, อเป็นคู่เคียงบ่าเคียงไรสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะมากระหลงพ่อจูดธรรมทั้งหลงพ่อจูดธรรมเป็นกับเป็นคลังธรรมะแล้วล่ะหลงพ่อบุญณีก็เป็นคลังธรมงมงธรมะอีกเหมือนกันที่แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวแต่หลวงพ่อในฐานะเป็นอายุพรรษาที่เป็นรุ่นพี่กว่าท่านนะท่านมาท่านก่ออ่อนน้อมถ่อมตนมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อเออเอา ในฐานะที่ยกให้เป็นพี่ก็เอาบอกกล่าวตามเรื่องที่เป็นมาตามขนบธรรมเนียมประเพณีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เอาวันนี้ได้กล่าวเพียงเท่านี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะแล้วผู้ใดต้องการหนังสือเนี่ยหลวงพ่อมีหนังสือนะขอเดิมหนึ่นเออเออเรนต์เดมไม่ผม เออหนังสือเล่มนี้นะสันตุสโกวาทสันตุสโกวาทเนี่ยเป็น อ, อพระนวั ก, กะพวกปริยาตรีปริญาโทนักเรียนนอกมาบวชที่วัดหลวงพอ่อนะหลวงพ่อเห็นแล้วมานั่งจุกนั่งเจ้าอยู่สือ่ อ, อพวกนี่มันนั่งมัดค่มขืนมันนั่งคืนหดบานเอาให้คน้นค ว, ว้าดูสิวันเอ็มพีสามของหลวงพ่อนี่ที่เว่าออไปเนี่ยตรงไหนที่มันประทับใจกินใจให้นกออกมา แต่ก็เป็นไปได้แต่ให้เอาเสียงหมกันออกมาพอโ อ, โอ้เขาเห็ดใดอิลีะ่ะเก่งวะ่ะเข้าหรือพ่เก่งเก่งพวกนี้ส ม, สมสมสมเป็นหัวหนอกอิลีะ่ะม่าเนียเขาคัดออกมาเฉพาะเฉพาะตัวที่ตัวที่เขาประทับใจญ่ไปเอยแล้วก็ววเขาก็มาใส่ให้เป็นสันสอีกตั้งหากเลยกระติสันสเป็นข้อข้อไปเลยเนา ะ, ะเขาปกมันก็เหมาะสมสําหรับ คนกูหมือเดี๋ยคนบมมีเวลาลงไปเอนเนนเอนั่นน่ะ <c oughs> เขาก็เลยทําให้ให้มันเข้ากับให้มันให้มันเข้ากับยุคสมัยวันไปหลวงพ่อเออก็ดีนะเออแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นหลวงพ่อพูดในเอ็มพีสาบอกว่าคนเราที่เวรหล่างเขาพูดนะบอกว่าทลงพอยกคํา พ, พูดของวรหลางวรหลางเขาพูดว่าศาสนาเส้นเนียเวรหลางนี เวรหลังเขาพูดว่าชาตนาศเซนเขาพูดว่าพวกเรามาพูดแต่เรื่องอาหารเนี่นทนาเรื่องอาหารมาพูดแต่เรื่องอาหารมันความมันกาําจัดความหิวไม่ได้แต่พวกเรามาพูดแต่เรื่องธรรมะข้อนั่นคอหน่อยสินสมาธิปัญญายงน้องอย่างนี้แต่ไม่ได้นํามาปฏิบัติก็กําจัดกิเลสไม่ได้ชั้นนั้นอันนี้เขากับเขาก็บวอมเมามาอัดที่แผนนี้ขึ้กันเนี่ย ลงพอเก่งๆๆๆแล้วเก็พิมพ์เนื้อตู้ตันนี่แล้วเขาก็บอกอีไดบารนี่บอกที่ไปที่มาอีกต่างหากนีบอกที่ไปที่มาอีกสักากมาเลมใดแผ่นที่เท่าใดบอกเรื่องใดเขาในนี่ผอมหมไปแล้วก็ตอมากกัมีช้าดกอีต่างหากเดี๋นี้ มีชาดกจะได้หนีอีกวันหนึ่งไปชาดกเขพูดสันนขึ้นกันนะแต่เข้าใจง่ายกว่าไปเขาพูดแล้วลุงปู่ชอบนะ่ะหลุงพ่อวเรื่องปู่ชอบเนะี่ยลุงปู่ชอบไปเผ่าหน้าอยู่บ้านหนึ่งนะพอไปเผ่าหน้าหรนะือเปลาเ น, นี่ยพอมาวันตีสามตีสีเนี่ยบ้านในวิญ ญ, ญาณขามาหาเพลินหมดว่าวิญญาณของมหาเพลินไปแต่เจ้าของคนวิว ญ, ญญาณว่ามื่เอาไปผู้อื่นไปนั่งทั้งที่ทุกข์ยากมานํากัน เป็นยังไป็นฮับไปเจอเจ้าของกันสัน้นหลวงปู่สอบวอจะคอยเจติเหตุยังไดได้ละ่ะกันสั่วเขาวัดเขาว่าพุ่นน่ะไปเที่ยวแมคโคโลตัดพุ่นน่ะออจะไปเขาวัดเขาว่าเ่ยพุ่นน่ะไปติดพุ่นไปติดพีไปติ ด, ต ด, ตดมีแต่วัดยากยากังสั้นยากกังสิมันก็ไปคนละทางกันกันสั้นแล้วโย่สแล้วเด้เนี่ยเดี๋ยวมือเอื้นจะเห็นหรอกพุ่นวะเด้วิ่นย่านวาวเด้มือเอื้นจะมืออื้นจะเห็นหอก ที่เฮ็ดเทบ้งผลวะบาดท่ามือเศ้ามาบาดลงปูชอบไปบินทบาทวะพ่าไปบินธบาทไงไก่แม่หลูกอ่อนตัวหนึ่งมันหา ก, กินอยู่ขางทางวันเราไปพ่อกินมกกันก็ะปิน ท, ท่าดเข้ามาเลยว่เลยมากระเตะตลงปูชอบเลยตกะตกต ก, ก, ก, ก, กโอ้มันแมนอหลี ต, ตัวนี้ผลวันลงปูชอบเปล่านะวันฮะมันแมนอิลีตัวนี้ไก่ตัวนี้โอต่นเน้ยมันมันแมนมันแมน ขู่ขูเมียเข้าตะกรอนตัวนี้คนนึงหลวงปูบบ่ชอบปะจะเห็ดจังใดใดเออสันเลยกันว่าสีส้วนมาวัดมาว่ามีแต่ฮอตติดนั่นติดนี่ห่วติดลูกห่วติดเออไปตลาดบะเออไปเที่ยวเมฆโคโลตัดปะเออสีมาวัดมาว่ามีแต่แนวติดมันจะไปน้กากันได้จังไดมันก็ไปคนละทิศล่าังกันอยงสี่แล้วพอให้นั่นพวกเข้าฟังเอาไว้นะ ขั้นปู่ขั้นปู่ได้หักปู่หักเมียหน่ยนะต้องช่วนกันไปได้ต้องไปน้ำกันคนละไปเขาวัดก็ต้องไปน้ำกันเอไปรักษาศีลก็ต้องไปน้ำกันมันต้องจิบไปน้ำกันได้ได้อขั้นปู่ได้ขั้นปู่เมียช่วนไปวัดไปเท้าไปวัดเมือนเน่อไหร่ก็จะบอกว่คอยไปตีก๊อปหนะะ่อยตีหมูหมูมีนัดหมูอยู่นัดหมูจะหมูยังไปหาเหร็ดไผ่บ่ไปหาตีไกอ่อบ่ขั้นแม่พอบ้านขึ้นกัน ไปแม่บ้านเข้าไปวัดเท่าเมือนเดียสันไปทำบุญทำท่านเหมือนเดียสันบ อ, อคอยมีทางจะไปยคอยจะไปชื่อของแมคโครตัดมันก็ไปโค่นะทีตแต่ท่านก็เจกเนี่ยแล้วมันก็ไปน้ำกันบบไรแล้วเพราะนั้นพวกเขานะ่ะสางบุญสางกุศลต้องไปน้ำกันมันยังคอยไปน้ำกัน ไ, นได้เด้ กนรอาไปคนละทตศละทั <nella refreshing> on ้งเช่นนั้นเกิดมาพบนาชาตินาคนเนี่ยแบบหลวงผู้ชอบนะยูนันังสือเลื่อนี้ยผู้หนึงเกิดเป็นไกด์ผนึงเป็นพระรหันต์อไคนละแนวกันตรงผู้ชอบเนี่เป็นพระรหันต์ได้ป่าเไอ้ลูกผู้เมียนี่ยเป็นไกด์คนอะไปมหาเตฆาลงผู้ชอบนไปเออตัตตตตตัดตับาดีมีทีท่านอยู่นี่โอ้ม่หลายแนวได้อยู่นนะมีทีท่านเรหนึ่งลงพอยากเจวหิฟัง มีในท่านเรื่องพม่าเอาหนูไปเมืองพม่านีน่มีญาตผู้นึงสองผัวเมียเอาไปมีฐานะบาทท่านแล้วก็เลยเออพ่ออายุได้ลูกไส้ผู้นึงบาดเนะี่ยพอลูกไส้ผู้นึงนะ่งเนี่พอเป็นนุมขมาเน่ยพอเลยตายบาดเนะี่ยพอตายบาดเนยังเหลือแต่เมียยังเหลือแต่แม่กับลูกไส้เนไป ผู้แม่ก็เลยเออไปหาลูกสะใภ้ที่ตระกูลจะมือกันนะออมาใหา้ลูกไส้คนไปได้ลูกไผ่ลูกไ้ก็ไ ด, ได้ได้แต่งงานกับนั่นะกับสาวคไปบ้านนี่แม่ลูกสะใภนะ้น่ยลูกสะใภ้กี่ทีบาเนียลูกจะใภ้กี่ทีแม่เทาแม่ญาติแม่ใจแม่ญาติใจกว่างไป คนใจกว้างกับคนขี่ทีบวกขึ้นวกถือกันเนอะกันทัวรใดไปเห็นลูกสะใภเห็นสาวสวยก็ตามนะจะออกมาเป็นลูกสะใภแล้วกันมันกินนกี่ขับแขบวนออกไปบ้านในคนขี่ทีกับคนใจกว้างบองถือกันบ้านเนีเ่ยแครเวลาตำเขาเพอตำเขาแล้วไม่ยากกันตำเขาก็ลูกไผ่ได้แล้วตำเขาก็วานเขา่าหักเข่าปลายยนะให้พวกไก่พวกเป็ดกินวนออกไปทางลูกสะใภเนี่ยบออยากใหอ้วนออกไป ถึงยังได้เข่าหักเข่าปลายมันก็ยังมากผลกับเขายังหนึ่งยังต้มกินได้ยังหนึ่งกินได้มันก็เป็นเข่าคือเรา่ะเอแต่กบกาวเาไปคันว่าเขาได้เข่ามากเลก็ตักเข่าใส่เรามากเลยก็พี่น้องที่เขาทุกเข่ายากมากเขามาแม่ยานก็ตักเข่าให้เขาเอาไปเอาเข่าเปือกให้เขาทางลูกสะภ้าเนยเพ้นแม่ยานโอ้อแน่เอือนอีกต่างหากคนไปเพราะนโจทย์แมนดุ เจ้ไพ่กับเมญ่าเนี่ไปว่าไปน้ากันบ่ได้ไอ้คนขี่โลบไอ้คนขี่ทีกับคนขี่โลบนี่มันไปน้ากั น, นได้ไหมผู้เดียวกันอดหลอดไม่แต่อย่างได้ผู้อื่นของอยากใดอยากได้ของผู้อื่นแต่บริษัทให้ผู้อื่นวันไปแต่ว่าคนขี่ทีกับคนขี่โลบเลยพ่อต่อมาโยมาโยมาวันนี้นักเข่านักเข่าวันนี้ ก็ว่าผัวในยุ่ในกับมือของเจ้าของได้ลูกไผ่บ้านไหเห็นลูกผัวที่เสื้อเจ้าของแล้วลงไปมักหักเจ้าของหรือเบาอยังกับเป็นไปได้มัดหนูลงไปบาดนี่ยคือนยือโนติดให้ผัวแล้วบ้านไหอเจ้าเสียเอาเมียยให้เจ้าเสียเอาแม่ผลว่าได้บาดเนี่อเจ้าเสียเอาเมียยให้เจ้าเสียเอาแม่ทั้งผู้ผัวโอ้ยก็เอาทั้งแม่เอาทั้งเมียแล้วอาจารยก็หักทั้งสองนี่แล้วอาจารย์ขั้นเจ้าเอาเมี่ยที่ผมมีแม่อาจารย์ ขั้นจะเอาแม่จะบ่มีเมียเพื่อไงเลือกเอาเพื่อไงทางผู้ผัวถ้าจะให้คอยเฮ็ดยังไดเสียนะเพื่อไงแต่ผู้ผัววาโผผัวหนาโง่โดนเยจะไปหาญาติยังผูวเมียเพื่ไห้แน่ได้หรือเปลนี้พราะน่ะส่วนไปแม่ย่าเนี่ยผัวน่ะไปหาเห็ดหานอไม้หาพักผั่น่ะใกล้ๆตีนผูเขาพน่ะผู้เขาไปหอดเท่ากับมัดหลดแล้วมัดเจตนใหม่หลุดพอมัดไปเลยกั ไห้เสือกินแลวก็แล้วต่อเส้นพิายากอ๋อจังสันที่นวได้ผู้ผัวหน้าโง่นี่ก็ได้เอาเอาเอาปนวได้บาทนี่ยบาทเนี่ผู้ผัวปูถูกไส้กับส้วนแลวแม่แม่นไปหานมาย่ยไปหาเฮปเนีไปหาแถวตีนผูนะ่ทั้งผู้เทานี่เกิทั้งลูกสะใภ้ทั้งถูกไส้ส้วนมันก็โวยกระดิดขาวดอ ง, ดองๆเราเลยจะเข่าเปาเไปเอาไปกับไปเนีกูเคยไปม่อพอแห้งนะปนวได้บานน้ากับไปแล้วเนี พ่อไปแล้วก็ไปมัดไปมัดบาดไปหอดต้นใหม่แล้วบาดได้มองเลยกับตีนผู้ผู้เขาเป็นย่าวได้ไปหอดเลยก็บมัดโพธิ์เถิดถึงมากกับแม่ยาวกับมัดตน้นมัดแขนภผยหลังเป็นแบบมัดใส่ต้นไหม่กันไปมัดขาใส่ต้นไหม่อีกกันไปมัดตาอีกันลงไปเ <laughs> อพอมัดเรยวเรยลๆมันเขากับมาแล้วตอนเขามัดใส่ต้นไหม่เลยได้บาดเขาเสือกิดกันลไป พ่อมาหอดบ้านมาเนี่พ่อเนี่ยคําเขาคําเข้าไาเนี่ยเสือมันออกโลกมาจากผู้ได้บาเนี่ยมันจะมาหากินมันมาหากินตามปกติมันน่ะว่าเสือน่ะเวลาเสือจะออกหากินมันห่องเด้ลูกปูจามก็ว่ากันเสือจะออกหากินยนีมาแรกมันห้องเนี่ยมามันเสือห้องทาแมวห่องมันแมวใชแมหลวงพ่อจุธม แต่แมวต่แมวห่องมันแมวเดินไปอันนี้ม้าวเสียงเหมือนเสียงเสือเดยวันเดินไปบ้านนี้ก็ลรมาโรคมาบ้านนี้เสือตนเสือตอนมาหอดมันก็หามันถือกินค้นแล้วบานนี้ก็ชนจันชนจันมันหาคนวนเไปมันถือกินไม่ผีบังวดอยู่ในรักษาป่าเดินไปภูมิลูกคะเทยวดาผีบังบดรักษาป่าเอ้ยเสือเส้นนี้เมึ่อจะไปหากินค้นนะ การคนพวกนี้มีศีลมีท่ามนะมือกินนมึงได้เกิดด้านเอ็ดมึงตกนรกมกใหม่นะมึงนะมึงจะกินนะเดี๋ยวกูไปทดลองตรจสอบางก้อนยุดอยู่นี้มึงเสือแต่นก็ยุดสั่งมังนไปเพราะผีบังบดบอกบ้านนี่ผีบังบดเยได้ปีกไก่มาไปไอปีกไก่ที่ขนไก่ไนขนไก่ยาวๆนะคุณปีกไก่มันบินคนไมบินได้มันต้องมีขนมันมาแลก็ถอนขนได้ขนมันหล่น แผลพีโมดก็ได้ขนไก่มากเลยก็เปิดจมูกเท่าแล้วก็เอาไอ้ขนไก่เนี่ยแย่ดั่งแย่จมูกย่อยลงไปย่อยที่คอมัดแย่แย่แย่เขาา้าไปเลยแย่ก็ไปหมุนหมุนหมุนเข้าไปมันก็ขั้นนี้เป็นบอ่ออะแฮฟเฟนพดโธทามโอสังโคบโรพราะขนไก่ขนไก่แย่ดั่งเขไป พ่อจามึ้นมาบัดใดพุทโธธมโมสังโคนืไปแง่ขงังทายอีกแหฟ่งพ่จามนืไปพุทโธธรทมโมสังโคอีกแง่อีกคืออที่สามมันใจโอ้พุทเถ่าเนี่ยขนาดไ้ขนาดจามนี่ ย, ยังว่าพุทโธธรทมโมสังโคนี่แสดงว่าเหยีดพบพระเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นสานะเป็นที่พึงโตพุเถ่านเนือเอ้เสือแต่มึงจะกินวะไรนะกินข้นพอดี่คนพนดีเป็นคนมีศีลมีธรรมไปออกไป เสือแต่ก็เลยออกไปบวได้กินวัดออกไปบ้านนี่ไอ้ผีบังปศนะก็เลยเอ๊ะเทานี่ยเป็นผู้มีศีลมีธรรมนะเทาก็เลยเขาไปปดบานนี่ไปแก้เสือกพอแก้เสือกเทากันอนพอหลอกปอกแป๊ลกลวงกับหมอกลราไปแปรปวดแก้เสือกแขนแก้แก้เสือกขาออกมานะ่ะ มันไปบรไดวณนี้มันมืดรับตาก็มืนตามันพอพ่อมันกันเออยู่ในดงไหมมันม er er er er ืดนะมันก็นอนเนี่ยนอนเน่ยเทพผีบองบดเอ้ยเถานี่ยคือสิหิวเขามากก็เลยหาอาหารมาให้กินว่าน่อยเ่าก็าบอเห็นได้ยายเห็นต้องมากินเขายายกับม้วเมียขึ้นมากเห็นอาหารกับเถาก็หม่ำลดแล้วก็กินเขานำไปพ่อกินเขาแล้วก็นอนตอเอกคนไปพ่อนอนตอบารีพอตื่นหรือว่ามันแจ้งบารีเห็นตะไห้หนึ่งคนไป หายพ่อห้ยซ่องเนีน่อยหอยไปเปิดเบืงเนียมันเป็นท่องตัวนี้นสันเดย์ผีบังบดเอาไส่ท่องมาหายวันเอาไปนอ่นนะเขากเลี้ยวหนาเลี้ยวหลังพุ่นบนมี่พ่อใดอันนี้เขามาให้กูแล้วเนี่ยเทว่ะเทาก็เลยเอาผา่าขมาัดมัดแล้วก็ขืนใส่บาแลงเอาไปกูบ่ไปหาหัวมดอกลูกสะใภ้ก็ลูกไส้ กันกลับไปหาบัณฑ์ไม่ว่าจะขากูคือเกราเนี่ยเรากูจะไปให้มันไก่เัอะเ่าก็เลยไปหายาดพี่น้องก็ไปที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันพอไปหาญาติพี่น้องก็เลยไปอยู่กับเขาแล้วก็เลยต่อมาก็เลยย้ารก็เลยเอาท่องขําอยู่ในที่เอามานะ้านาะที่พีบังบดไทยนะเอาม้าทย่อยขายเขาขายเมื่อนานขายเมื่อเนีน่เอามาก็ได้สางฐานะโอ้เขาบอกว่าเนี่ยย่ารผู้นึงนะ่งเนี่ยไปอยู่ในป่าเนี่ย ลูกซส้จีเอาไปขายเี่ยบัดเนี่มายูนีน่นี่โอ้เขารวยดิเดี่ยวเนี่ยเด็ดท่องข้มามเม่าเทางลูกไา้กับลูกสะใภัเนี่ยกิไหวโบเมนแม่เขาบอกคนว่าไลยไปเบิง่งเบิงนุกนบาร์เด้กกเลยวสองผัวเมียเด็กกลูกไส้ลูกสะใภ้ก็จ้องย่องไปเบิ่งมันละไปไปบอกว่าแม่เข้าอิหลีตัวเนี้วสันเดีแต่บอก้าเขาไปหาได้พราะจกหองเหตุพิสเด็ดเดนะีย๋ยวเขาไปหาได้จังไงพ่อแม่เข้าอิหรีตัวเหนียวพอกับพ่อ ตนใหม่ตัวนั้นเป็นตนไม่เงื่อนตนไหม่ท่องแท้ๆเอาไว้พอไปหอดเนี่ยให้ให้เจ้าไปมัดข่อยเทต้นใหม่นั่นเด้อผัวได้บาดเนี้เออทางผู้ผัวหนาโง่เออเปิ้ลกันอย่ากได้ฉีโล้กันได้หัวอยากได้ท่องขึ้นกันอืมตนไหม่เงิ่นตนไหม่ท่องตนนี้ตนนี้คนวามาฮอวเลยก็มือต่อมากกันเอาเมียไปแล้วนะไปมัดเทต้นใหม่ขึ้นเราเนาะวะมัดแข้งมัดขามัดมือมัดตาขึ้นเราโนไป พ่อมัดเสร็จแล้วปัดเนี่ยเง่เหมือแรกมากอะใกล้ๆคาก็เสือลงมาอย่งางวานหนึ่งว่ะมันเสือมันหากลินเด้มันดันหากินของเสือเะพอเสือเสียหาหากินเง่เหมือแรกมันก็ต้องมาห่มขี้เก่าหน่อไปวานลงมา ก, กับส้วนน่าส้วนลังเสือนีอ่เฮ้ยผีบังบอดไอ้ยเสือเมืองยานะได้กูตดลองตะ ก, กอนมันเป็นคนดีเลยเป็นคนแลี้ยวสักหนึ่งวาได้่ผีบังวอดก็เด็กปีไกลขี้เก่านหน่อยไปกับหมุนๆหมุนเข่าดังคือเก่านะ พ่อพ อ, อหมุนขดลังไอ้ลูกสะพ้ยขี่ที่นอนไปแฮ่เฟิงให้เงินให้ท่องโยไาขุนวาดพ่อพ่อในจิตใ้ใจมีใจใจอยากได้ให้เงินให้ท่องเดวไปแย่ ie, ขอทั้งสายหมุนหมุนีก ม, ม, มันกระขั้นอีกแฮ่เฟิงให้เงินให้ท้องโยไซขุนวันดถึงสามเถื่อเดิไปปีบังบัวโ อ, อยีอนิมมันโมมีพุ่นนะ่ะทำหยังดอก เ อ, อมันมีแต่อยากได้เงินได้ทองอยู่สิไปเ ส, น เ, นไสญญเสือกินได้เมื่อไนเสือก็มากับหม่ำอะไรสัะกินเท่าไงไปพอกินผู้ผัวชาวบ้านก็หลายมือสองสามมือบอเห็นเมี่ยวเอาให้เงินให้ทองกับขึ้นมากขึ้นแมหมจะคลองไปบาดหาไปเบิง่งหัวเห็นแต่กระดูกกระใจแล้วลงไปเสือกินแหล่าลงไปเสือกินเมี่ยว ไอ้นั่นก็เลยนะ่น่งเสียทั้งแม่เสียทั้งเสียทั้งเมี่ยววันลงไปแคนัน้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าคนดีไปอยู่นักสถานที่ใดตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ถ้าคนชั่วไปใสนี่ยเสียหายมัดเออเพราะฉะนั้นพวกเขาจะไปเหตุความชั่วเหตุแต่ความดีถ้าเหตุดีล่ะอยู่ใสก็ดีมัดไปอยู่กับเทวดาผีบางบดเขาก็ยังยกย่องว่าเป็นเป็นคนที่ดีมีคุณนั มีคุณธรรมมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีเพราะฉนั้นพวกเข้าจะไปเห็ุเนี่ยมันสวนอแล้วก็ผู้ใดขันหักคูหัวพัวเมืียชวนไปไหวพระฟังธถ้ำรักษาศีลให้ไปนน้ำกันนะจะไปแยกทางกันขั้นไปแยกทางกันเกิดพบนาชาติหนาบม่ได้เจอกันแต่แท้ได้แบบหลวงปู่ชอบนะพวกเข้าฟังว่าว้เนอแม่นบ่ลงพอจุธรรม นี่หลวงพ่อจะทำโมแมนต์ไว้จะได้แต่นิทานเรื่องหนึ่งไอ้ละว่างปากบัดนี้ฟังหมดได้ไห้ละว่างปากพุ่นออกไปดูรูปกูเหมือนคนม่คอยระว่างปากหอ้ลวมปากมันหาเบาโหลดวนไปนิทานระว่างปากเรื่องนึ่งไปหลวงพ่อเนี่ยลนิทานเนี่ยโมแมนต์น้อยมานห้พตะไตพิโลกในนิทานมาเมืองพม่าในพันปล้ำปล่าวนาไปนิทานเรื่องนี้เนี่ย มีประเจ้าแผ่นดินอยู่หัวเมืองหนึ่งหมดไปบ้ า, บานในพระเจ้าแผ่นดินอยู่หัวเมืองนั่นเนี่ยแง่มาคลื่นแงน่มาแล้งนียเอ่อสิไปตรวจตาว่าประเทศชาติเจ้าของเนี่ยเป็นยังไงมีปิ่มีมขมโมยบอ่อมียังบอ่อนแต่ไปตรวจตราในหัวเมืองบานนึงก็มีมหาดเล็กผู้หนึ่งคู่ใจวัน่อไปมหาดเล็กคู่ใจไปทั้งนี้ก็เอามาหาดเล็กไปติดตามไปนําบ้านได้มือนเนื้อหน่อย เวลาตะเวนเมืออ่อยหรือเ่าเนี่ยก็เลยมานั่งอยู่เอา่นานั่งอยู่หม่านาั่งมียายแกคูหนึง่งมันคงจะเป็นตํำข่าเหมามันถทกฐานีลยมันหอมนี่เป็นหร อ, อ, อตำข่าเมาเนี่ยอ่าเพราะตข่าเหมาหอมมันลอกไปเนนะออแล้วจะเป็นตํำข่าไม้ก็บุ่งูัละ่ะพระเจ้าเพนดินก็เลยบอกว่าเอ้ยมหารเราชอ่ไปเอาอันนั้นไปไปขออา่าไปข อ, ขอไปขอห่อํานํายายมากินได้ไปมา่านเนี่ย ห้อ่อนเนอะทั้งมาหารเลกบอกโอ้ย อ, อย่าไปหากินพระเจ้าแผ่นดินมาจะไหนพระเจ้าแผ่นดินกินห้าเนียเขามันเป็นประวัติที่บดีได้มาจะไหนจะไปกินเธอพระองค์ไปหากินห้ามเดีวเขาเป็นพระเจเ้าแผนดินหมาพระเจ้าแผ่นดินหมูเขาก็จะว่าไปเดี๋วพระเจเ้าแผนดินกินห้ามมาจะมันเป็นห้ามะมันเป็นอาหารหมาอาหารหมูอาหารงัวมันบอแเปนอาหารพระราชาจะกวนจะบกกวันกินมาจะไอ้ยกูหิวเนี่ยนะกู หิวก็เอาเธออดเอาเธอเอาะไปหากินหมูอื้นไปหากินแต่กินห้ามไปไปมึงจะไปหาวอลไร้ความเลมีตะกูกับมึงเทน่ะหู้อยู่ว่ากูกินห้าไนะไปไปเอาเดี๋ยวนี้เอาเถนคันว่ามึ ง, มงวอลขึ้นมาเหมือนมึงข้อขาดเข้าใจไหมคนว่าเประชมสมัยก่อนเด็ดขาดเล้นายแม่มหาดเล็กนี่ก็ไดไปต้องกล้วยแล้วก็ ไปกไปขอกับย่าวยวันย่ายก็หาเอาแร่กลับเอาเเข่าเขาห้ามอ่อนนลยย่าวยแต่กับกลับแสดงห่อนึงมากโอ้ยจะไปกินเถินพระองค์ก็เสร็เกินเน้อมันเป็นประวัติบอดีได้กินห่อมเนื่าเส็จเยเอ้กูอยากเสร็ยมึงอย่าพูดนะกัรมึงพูดข้อขาดมึงเข้าใจไหมผมว่าแต่ดีพระราชก็สั่งแลวกินแล้วบัดพระราชก็กินห่อมนไปพรากินห่ามอิอปล่ต่างคนก็ยังกลับมา หาที่พักไผ่มันบานนี้มาหาดแรกบ้านนี่พอที่เห็นพระราชากินห่อมนมันโอ้ยมันอยากเบา่าวเลยไปมันขั้นปากเลยนี่แหละไอต้ตที่ขั้นปากนี่มันเรื่องผูย้ายก็เรื่องผูย้ายมันบ่นละนี่ตัวเองจะไปหาเดือดร้อนยังอยากเบ่าให้ภายฟังแต่พวกพวกก้าวบ่าวยันข้อขาดบ้านนี้มือเดินขี่ขี่เห่อไปขี่เห่อลงไปในน้ำเขาจงเป็นแม่นม้ำโขงเป็นแม่นาม้าทะเล ก, กับพวกหัวหอยพ่อไปหอดะ กูจะวอกว่าพญากินห้ามวันสิแกยานคนได้ยินัวนลไปโมกกาบอกวอนไปเห็นคนพัยเคื่ออยู่อย่ามันเสียงดังมันลงไปบาน์เนอร์ขืนมาอีกวันเขาไปผีป่าซ่ากอนไปพ่อปีปีปาซ่ากิว่าโอ้ยพญากินห้ามวันที่ค่อยๆว่มันอัดอั้นตันใจวมันขั้นปากวันไปยักเว้าวโยนไปมันอดปไารกไปแกยานคนได้ยินอย่ามันอย่ในแถวนันไปไปกลางทงหน้าไปกลางทงหน้าแกยน ค้นบางยกกลางไห้น้าป้ากูบ่ลไดบอลใใจขาดแท้ๆเ่าเห็นไหมนมหาดเหล็กปากคั่นไปปากบัเป็นสุกมาอะไรก็เลย้าเขาไปนาเขาไปในดงปัเนก็มาตดงงไ้มาดงดงแบบดงวัดโดงพอนี่ยต้นไม้ใหญ่ๆนไปเห็นไม้ไม้ดูต้นหนึ่งว่ะคนบักย้อยประมาณทักสองโอบสามโอบนะบ้านนี่ไม่ไม่ดูปลายกุดนไปปลายมันดวด ก็มีเครือพั่นขึ้นไปมีเถาวัลย์มีพั่นขึ้นไปเพอาะพั่นขึ้นไปเลยมันเป็นโกนอบักทหารมาเล็กมาหาเล็กมันก็ขึ้นไปกับไตใต้ใต้ตตเครือขึ้นไปก็ไปเห็นโกนไม่ดูหนูไปอโกนไม่ดูมันก็ปอนข้อข้อลงไปในโกนไม่ดูเลยพญากินห่อมพญากินห่อมพญากินห่อมเม <laughs> าจะโกนไม่ดูหนูไป ว้ามีแห้งเนอะวันใดในใ น, ในระบายแล้วโนไปได้ระบายแล้วโอ้หมีแห้งกันโนไปนี่ยคนเป็นยังไงเนี่ยพ่นมันปากบอนมันปากกันหน่อยไั้นบอลได้วเนี่มันได้บอกมันมันใจฉิขาดพ่นไปบาธาแล้วกับพ่อเบ้าแล้วบาดเนี่กลับมาโอ้มีแห้งแล้วบาดเนี่ยบาาตอมาบาดเนี่กองพญาแตกบาดเนียกองพญากองไพรี่กองพิตตีสู่สงฆา ม, มันแตกบาดนี้ ผกเสนยอําอมัดลาดเวกทั้งหลายก็เอ oh, so ๊น oh, so ่าจะไปหากองเขาหยางไปยางมากยางว่าไปเห็นตนไมปดูตนหนึ่งเลยไอ้ตนไมปดูปลายด่วนไปมันผมโอ้ประตูมันมีโกนมันขึ้นไปซองแล้ไปโอ้ไม่โกนนี่คนหมู่ล้านเขาเจาะกองมันเจาะยากเด้มันมันมีเครื่องมือมันบวชเลยส่วนทเจาะไม่ดูทะลุมันบะไรเลมันต้องเอาไม่ไม่ดูโกนหลงไปอไม่ดูเป็นโพรงลงไปบาดได้เขาก็ค่อยตัดโดนพรตัดได้เขาก็คอยหยกลงมากเลย จากนั้นเขาก็ตัดเป็นทอนพอเป็นทอนเขามาขูดมาเกาให้ดีคนไปแล้วก็กขูดทั้งในให้เป็นกล่องคนไปพอเป็นกล่องก็เอาหนังควายตัวใหญ่ลอยไปมาหุบคนไ ป, ม า, ม, นไปมาหุมเป็นกล่องบ่ายในภายกระบวก่าตีแล้วพอเป็นกล่องพระราชาติให้พระราชาติตีเป็นคนแรกคนไปพอ็หามเขาบ้าเลยแบบว่าโอ้ประดับตกแต่งกล่องยางดีเร็วคนไปพอมาหอด แต่เวียงว่างแล้วกัเอาคืนห่างยางดีแล้วเอาเอาให้พระราชาติเป็นผู้ตีเป็นคนแรกก่านะพระราชาติก็ได้ขอนมากกประเดิมตีวันนี้ไปตีกองแต่ตามพุิ์ตามมาจริงกองก็หลังตุ้งตุ้งเป็นบัวละอันนี้บปตีตบพยอกินล่ากองกองม่เคยจำได้เด็กพวกนั้นไปบอกก่อนเลยเดีย ใส่ต๊บพ่อยอกินล่ําเฮ้ยตีสองสามบาทโอ้พญาถิ่มกล่องแล้วเผื่นได้พ่อหญ้าเนี่ถิ่มคองแล้วไอถิ่มคลอนแล้วเพราะเพระมันบอกว่าพ่อญ้า ก, กินห่อมเด้๋ววันเดียวอปตีตุ่มเนะี่ยทันนี้จะเป็นตุ่มเลยไปมันพ่อไปหาบอกว่าพ่อญ้า ก, กินห่อมท่านเนี่นอตีบาทสองของพ่อญา ก, กินห่อมตีน้าแถบก็จะกินห่มกินห่อมก็จะว่าเข้าไปพอญ้าถิ่มคลอดโ น, น่ลไป อแต่เขาก็เปรย์บ่าต่อไปอีกว่ามันปัญญาเนสิยสืบสอบจังใดว่ามันเป็นอย่างกองเนียมันยังงูจักว่ากูขิดน้าขั้นนะว่าขั้นนะว่าพัญญิสืบได้ว่าบักมีไปเบ่าวเซ็กโกนไม่มาดูหัวมันค้อขาดแท้แล้วนะนี่แหละขั้นผู้ใดนีท่านเรื่องนี่สอนให้รู้ว่ากันเรื่องผู้ใหญ่ขั้นพวกเกี่ยวของกระเพ้าอย่าไปเอาเรื่องเพิ่นมาบ่าวมาวาลงไป ไผ่สำล่วมไผ่ละวัง่งเพราะเป็นเรื่องของเพิร์ ม, มันบวเมท้เสียหายอย่างเม็นบอหลวงพอ่อสุธรรมเรื่องของพอของแม่ก็เรื่องของพอของแม่เขาจียมากเ้าเนี่ยเป็นบทละอมันเรื่องของบมเมนตั้งเสียหายก็ไม่แน่เสียหายเออเข้าก่อนยังค่อยเว้าอันนี้มันเรื่อง กินห่มก็เป็นเรื่องของวลนี่มหาเดือดฮาหอเอย่างก็หัวเห่าเป็นหมดอ่ะออกินเงี้ยเก็นปากเปืน่นกินก็ี้ยนทองเปิ่อนออของพยายกินเ่อมตัวเองจะไปเดือดร้อนอย่างอันนี่มหาเล็กมบุกลงพอวันเนี่ยเป็นผู้น่อยที่บอดีบุกหุ่นจักจอร่รวมปากเจ้าของแมนบอลจุตำคือไดโน่เ <c oughs> นี่ยแหละลูกหลานะีฟังไปในท่านนะมหาลพอนี่ไม่แต่บอกในท่านซอนัน่นซอนี่ให้ฟางเจือเรื่อย มีต่งเงยอะแยะไงขั้นว่าจากนี่ไปหอดคำก็ยังว่ทันเหล้วนี่วัทันจบนี่ท่านเลย <c oughs> เอาแล้มัง่งน้ที่นี่นะเออของโอมีอะไรไหมโอ้สทาาอัทธาญาติโยเอ็นหนังสือประวัติเป็นใดแล้วยังทำประวัติอของยันอยู่องยงัยงยงยมันมีปกแขงกับปกออดได้ย่อ นีปกแขงกับปกคอนโอ้ปกแขงฮอนอยู่เปอ่าอปก อ, อก่านังปกคนเ่ฮะมีออ ม, มีมีปกแขงไหมมีปกแขงมั้งเอา้าถ้าใครต้องการหนังสือก็เข้ามาขอหลวงพ่ออินเนอเอากราบกราบลาเพื่นแล้วก่อนแล้วใคร ต้องการหนังสือก็เข้ามารับจากเพื่อนแล้วก็ออกไปเลยเนาะไม่ต้องมาเบียดจนอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเอาพร้อมกันแล้วกาบลาหลงหลวงพอ่ออินแล้วก่อนแล้วศรัทธา ญ, ญาติโยงใครต้องการหนังสือก็ขยับเข้ามารับแล้วก็ออกออกออ ก, ออกได้เลยนะเอาเอากาบ